ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพรตตะนาตะไรขวอก า, พารรสพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสัรยมิกทุกท่า น, นจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุ ท, ท, ท่า น, นเมื่อกี้เราก็ได้สวดธรรมวัดเช้าไปเนาะการธรรมวัดเช้านี่ถือว่าเป็นการรวมธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างเกือบจะสมบูรณ์ทุกอย่างเนาะ ท่านก็ชีให้เห็นหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องความทุกข <c oughs> ์ว่าการที่เราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นความทุกข์ <c oughs> พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข <c oughs> ์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าโดยโยะทานขันทั้งห้าเนี่ยก็เป็นตัวทุกข์ นะก็คือขันธ์ทั้งห้าก็คือ <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละรูปก็คือกายของเรานะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือนามหรนะือจิตนะก็เป็นทุกข์นะก็คือกายและใจนี่ก็เป็นทุกขนะ์เวทนาก็คือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมาสุขเวทนาก็คือเฉย นะก็คือจิตที่ไปเสวย อ, อารมณ์นะในความทุกข์ความสุขต่างๆเราเนี่ย <c oughs> ก็คือเวทนานะสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ต่างๆนะเราก็ต้องมีความจําได้ไม่รู้นะอถ้าเราไม่มีสัญญาเราก็จะจําอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> หรือบางทีถ้าสัญญาตัดเร็วเรววาก็จะลืมเร็วนะบางทีแปบ๊บเดียวเรววาก็ลืมแล้วเนี่ย สังขารก็ความปรุงแต่งทั้งหลายในจิตใจเรานะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง <c oughs> จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทมเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดก็ไปปรุงแต่งนะก็เป็นสัญญาก็เป็นสังขารไปนะ <c oughs> วิญญาณวิญญาณไม่ไม่แช่วิญญาณที่ล่องอนะลอยนะล่องลอยเหมือนกับที่เราเข้าใจในเรื่องวิญญาณทั้งหลาย วิญญาณในที่นี้ก็หมายความว่าความรับรู้ในทางตานะเช่นตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขู่วิญญาณนะตาตาซึ่งเป็นอายัดอายันะภายในกระทบรูปนะซึ่งเป็นอายัดนะภายนอกนเมื่อกระทบกันแล้วก็เกิดจักขู่วิญญาณนะคือการรับรู้ในตรงนั้นนะแต่ถ้าคนที่นะบางคนนะอาจจะลืมตาอยู่นะ แต่ในขณะนั้นอาจจะใจลอยนะใจลอยไปคิดเรื่องโน้ต เ, เรื่องนี้บางทีรถยนต์วิ่งผ่านหน้ายังไม่รู้เลยว่ารถยนต์วิ่งผ่านหน้าก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิดจากขูวิญญาณเพราะว่าตาไม่ได้เกิดการรับรู้นะหรือบางทีบางคนนอนแล้วก็นอนหลับไปก็ลืมตาก็มีนะนอนหลับนะลืมตาอยู่ <c oughs> ก็ไม่เห็นอะไรก็มีนะเพราะว่าไม่ได้เกิดการรับรู้ก็ไม่เกิดจากขูวิญญาณนะ หูได้ยินเสียงกัเหมือนกันนะหูเป็นอายัดบณภายในเสียงบรรยัติบรรภัยนอกนะบางทีเราได้ยินปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรแต่บางทีเราได้ยินแล้วก็ไม่รู้ก็มีเพราะเราใจลอยนะเราไปคิดเรื่องรู้เรื่องนี้บางคนมาพูดเราฟังยแงเลยยังไม่รู้เลยครับพูดเรื่องอะไรนะพูดต้องนานไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรก็มีเพราะเราใจลอยไม่ได้ตั้งใจฟังเนียเหมือนกับบางทีอาจารย์สอนไปแล้วก็ใจลอยคิดไปโน่นคิดนี่แล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะ น, นี่ก็เรียกว่าเราไม่เกิดโสตาวิญญาณนะก็คือไม่รับรู้ในทางหูเนี่ย <c oughs> เพราะนะั้นวิญญาณนะ็คืออยายตนะทั้งหกเนี่ยตาหูจมลิ้นกายใจนะเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นระหว่างอยายตนะภายในและอยายตนะภายนอกเนี่ยมีการรับรู้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิญญาณในตรงนั้นเ็คือการรับรู้นะเมื่อรับรู้แล้วก็จะเกิดเวทนา ตันหาประทานต่างๆตามมาก่อให้เกิดพบเกิดชา ต, ตาอะไเยอะแยะเนาะก็คือเร่าก็มาเจริญกันในตัววิญญาณนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือรูปเป็นาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะก็เพราะนั้นเราก็ต้องวางทุกอย่างเนาะวางทั้งรูปทั้งนามให้หมดไป เขาว่าไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนนะเป็นความทุกข์นะที่พระจ้ได้ทรงตัดแล้วว่าเป็นความทุกข์ในตรงนี้เนาะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่แล้วทุกเท่านั้นดิดับไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ ใ, ต, มใตนของเราอย่างแท้จริงนะเราจรึงไปยึดมัน่นถือมั่นบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอกนะเพาเขาก็แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าเราบังคับเข้าไม่ได้ใช่ไหมไ <c oughs> ม่อ่ากาย <c oughs> กายเนี่ยเราจะบังคับเขก็ไม่ได้นะเราคิดว่าเออเราก็ทํา ให้ก็ยืนเดินนั่งนอนได้ให้เขาทํานู่นทนํานี่เหมือนที่เราต้องการนะอันนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าเราบังคับเขาชั่วคราวนะแต่เราบังคับจริงๆเขาไม่ได้หรอก <c oughs> บังคับให้เขาแก่ไม่ให้แก่ได้ไหมก็ไม่ได้ <c oughs> บังคับให้เขาไม่เจ็บได้ไหมก็ไม่ได้นะ <c oughs> บังคับไม่ให้เขาตายได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความที่เรียกว่า สภาวะประจําสังขาร น, นะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนี่เราบังคับเข้าไม่ได้อย่างแน่นอนนะอ่าส่วนที่จรไม้ชั่วคราวต่างๆเราก็บังคับเข้าไม่ได้ทั้งสิ้นน ะ, ะเช่นหูตึงอ่าผมงอกผิวหนังเหี่ยวอตาฟาง <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้ยเราก็บังคับเขาไม่ได้อีกใช่ไหม <c oughs> บังคับอะไรไม่ได้เลยนะ แม้แต่เขาหิวนะเขาหิวเนี่ยแล้วก็อทําให้เขาอิ่มได้ชั่วคราวแล้วก็บังคับเขาอิ่มตลอดไม่ได้นะอเขาง่วงนอนเราก็อให้เขานอนได้นะแต่บังคับให้เขาไม่ง่วงก็ไม่ได้อีกนะความเย็นความร้อนความหนาวต่างๆเหล่าเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราบังคับให้อ่ากายขอยงเราเนี่ยอ่าเขาทนในภาวะนั้นไม่ได้นะอะเราหนาวเราก็ไปใส่เสื้อผ้าไปหม่มพ่อหม่ม นะและอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเราแก้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะแก้ได้ก็ชั่วคราวเนะี่่ยอะเช่นเราบางทีเรานัน่งนานๆเดี๋ยวเราก็ปวดเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนในบทเนี่ยก็แสดงว่าเราเปลี่ยนเพื่อจะแก้ความทุกข์เท่านั้นเองนะอพอเราเปลี่ยนแล้วเราเดินไปเดินมาก็ต้องกลับมานั่งอีกใช่ไหมเพราะเราเราแก้เขาได้ชั่วคราวเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแก้ <c oughs> แก้ไขรเขาได้อย่างถาวรใช่ไหมทุกอย่าง ทางกายเนี่ยมันแก้อะไรจริงๆไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นความหิวความง่วงก็แก้เขาได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่จะแก้ใหม่นะมันแก้ไม่ได้ถาวลจริงๆเพราะสิ่งแล้เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นนะด้าน <c oughs> ด้านจิตใจเราจิตใจเราก็ยิ่งแน่นอนใหญ่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้อีกนะส่วนมากเราคนเราเนี่ยจะนึกว่าจิตใจเป็นของเรา นึกว่าเออเราเนี่ยจิตใจนี่ก็คือเรานั่นเองนะแต่พระเจ้าก็ได้บอกแล้วว่า <c oughs> กายและใจไม่ใช่ของเรานะหลวงปู่เคยชัดเจนเลยนะว่าอ่กายและใจะเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไม่ให้ตั ว, ไ ม, ตวไม่ให้ตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกเห็นไหมแต่พอเราเราไปยึดมั่นในตรงนี้ว่าใจเป็นของเราเนี่ยเราก็จะไปบังคับเขาอ่ต่างๆนานา <c oughs> ออให้เขาดีตามที่เราต้องการนะ ให้เขาไม่มีความโลภความโกรธความหลงให้เขามีสติตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราก็ทำในตรงเนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม้ตัวไม่ ต, มตนนะแต่เราก็พยายามทำให้เขานะดีตามใจของเราทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เคยดีตามใจเราเลยนะเพราะธรรมชาติของใจ <c oughs> เขาก็จะเป็นแบบนั้นเขาเองนะก็จะขึ้นขึ้นล ง, ลงของเขาทั้งวันอยู่แล้วนะ จะดีบ้างไม่ดีบ้างเนะี่ยมีสติบ้างไม่มีสติบ้างนะนะมีรมต่างๆเข้ามาบ้าง <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของใจนะแต่เราจะทำจิตที่ปกตินี้แหละที่มันขึ้นขึ้นลงๆให้เขาไม่ปกติเองนะให้เขาดีตามใจเราต้องการนะ่แหละเราว่าทำไม่ได้หรอกใช่ <c oughs> เพราะเราบังคับบัญชาอะไรเขาไม่ได้เลยเราจะเห็นว่า <c oughs> เราเนี่ยมีความคิดอยู่เรื่อยๆน ะ, ะเดี๋ยวก็คิดนูน่นคิดนี่อยู่เรื่อย มาทั้งๆที่เราก็ไม่อยากจะคิดนั่นแหละแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาคิดดั่งเขาเองนะเราก็รู้ไปตามความจริงว่าะ <c oughs> เขาก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองนะเป็นของเขาเองแบบนั้นนั่นแหละพอเราวางใจตรงนี้ได้เราก็จะอ่มีความสุขขึ้นในการที่จะอยู่กับสาภาวะธรรมตามปกติของเขานะก็คือความขึ้นคือล ง, ลงนั่นแหละห <c oughs> ลงวงพ่อชาตินั่นก็เคยบอกเอาไว้ว่า <C hr an ly> คนเราเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นแบบนั้นเองน ะ, ะเป็นของเขาแบบนั้นเอง <c oughs> เราจะเราก็จะบังคับเขาจะตรงนั้นจริงๆไม่ได้นะเพียงแต่เราเข้าใจเขาเหมือนกับเราเข้าใจเด็กว่าเด็กเนี่ยเขาก็ซุกซนไปตามสภาวะธรรมของเขาแบบนั้นเองนะเขาก็อ่ซนไปตามธรรมชาติของเด็กแต่เมื่อก่อนเราก็มีความอ่ไม่สบายใจ นะหรือมีความกังวลใจว่าเด็กทุกซนน่าลำคาญนะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญในเด็กเหล่านั้นนะแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กแล้วว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นเขาเองนะเราก็ไม่งหงุดหงิดไม่ลำคาญนะเพราะนั้นเด็กที่ไหนก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมดนะเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องของเขาเแบบนั้นเองเราก็ไม่มีความทุกข์ในตรงนีนะ้ที่จะต้องให้เขาเป็นไปตามใจของเราทุกประการ นะเขาก็จะไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของเราอีกต่อไปนะเราก็จิตเราจะได้สงบตามความเป็นจริงที่รู้ในความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเออบางคนถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ว่าเราไปบัติธรรมตั้งหลายหลายปีนะห้าปีสิบปีทําไมเรายังมีความหลงอยู่นะทาไมเรามีความงุนงงขว้างไม่พอใจอยู่นะอแต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าเออเป็นเรื่องของเขาเองเนาะ ความหงุดหงิดความลำคาญความหลงก็เป็นเรื่องของจิตเองไม่เกี่ยวกับเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนของเรานะเพราะทั้งสิ่งที่เป็นความบกพร่องทั้งหลายของจิตนะก็เป็นเรื่องของจิตเองไม่ใช่เรา <c oughs> นะไม่ใช่เราพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไดเ้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เร า, าจริงๆนะมันก็จะแยกมาเป็นผู้ดูได้นะนะผู้ดูมันก็กลายว่าเราไม่ไปแสดงอะไรกับเขาแล้ว เขาจะดีเขาจชั่วก็จะถูกจะผิดก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็มีหน้าที่รู้มีหน้าที่ดูไปนะตามความเป็นจริงนะสภาวธรรมมันก็เกิดระดับไปตามแบบนั้นของเขาเองนะเราไปบังคับก็ไม่ได้หรอกนะจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดก็เป็นเรื่องของของเขานะเราก็เพียงแต่รู้ไปตามความเป็นจริงนะจิตเรานะก็จะถ่ายถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนะในความเป็นอัตตาตัวตน ในความเป็นสักกยัติทีในการปฏิบัติเพื่อให้เราตัวเราบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราหมดความโลภความโกรธความหลงก็มีแต่ตัวตนที่จะเข้าไปทาทั้งนั้น <c oughs> แต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่มีตัวต น, นที่จะเข้าไปกระทําในเสียงต่างซึ่งเป็นการปืนความจริงแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยความมีฉันท <c oughs> นะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความมีตัณหา ในการที่จะไปดับอะไรสักอย่างหนึ่งนะตัณหานะก็มีอยู่สามอย่างนะครา น, นี้ตัณหานี่คืออะไรนะผู้เจ้าได้ทรงบอกไว้ว่าทุกนะเป็นสิ่งอนะที่ต้องรู้อสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละอ <c oughs> สมุทัยมีอะไรนะสมุทัยก็มียายังตัณหาปโนโอภวิกานันทิลาคะสาคตาตตละตตราพินันทีอ สมุทัยก็ได้แก่ตัณหานั่นเองนะซึ่งตัณหานี่แหละเป็นเหตุที่นาให้เราต้องไปเกิดอีกได้แก่ความเพลินอย่างยิ่งในสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้คือกามราคะตัณหาในกามนะก็คือความเพลิดเพลินดีไปในรูปรดกลิ่นเสียงนั่นเองประการที่2ก็คือภาะวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือภาวะตัณหานั่นเองหลงวงพระเทียนยังบอกว่าอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีน ะ, ะเราก็ไปบัตรด้วยความที่ว่าไม่ใช่ตัณหาอแต่เราไปบัติด้วยความฉันทะนั่นเองนะก็คือความพอใจอวิภวะตัณหาก็คือความที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือการผักใส่สิ่งต่างอารมณ์ต่างๆนะผักใส่มีความโกรธก็ผักใส่เขา อันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหานะสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือตัณหาทั้งหมดก็คือสมุ ท, ทยัยนะสมุทัยก็คือเป็นสิ่งต้องละนั่นเองนะเราก็อย่าไปเจริญตัณหานะแต่เราเพียงแต่ให้เราตามความเป็นจริงเท่านั้นนะโดยความฉันทะนั่นะแหละเราก็จะได้ไม่มีตัณหาเพราะการปฏิบัติธรรมเราจึงอาศัยตัณหาไ ม, ไม่ได้นะนะเพราะเราจะาตัณหาไปละตัณหาไม่ได้ คราวนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วในจิตเราก็จะได้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะเพียงแต่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองอย่างที่เรียกว่ารู้เฉยๆนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆก็พอแล้วนะการรู้เฉยๆนั่นแหล ะ, ะก็คือการที่เราไม่ไปเพิดเพลินในลมเหล่านั้นนะการที่เราจะไม่เพิดเพลินหรือรู้เฉยๆก็คือการที่เราไม่ไปให้ค่าในลมเหล่านั้นไม่ไปยินดี้ายไม่ไผักใส่ไม่ไปพผักใส่เขา การผักใสก็เป็นวิภาวะตันหาอีกอการไปยินดีในตรงนั้นก็เป็นการมาตันหาอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้เฉยก็พอแล้วไม่ต้องไปผักใสอ่การที่เรารู้เฉยไม่ผักใส่ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้นั่นแหละก็คือการที่เราไม่ให้ค่าไม่ไปสนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะดับไปนะเป็นการละความเพลินนั่นเองนะอะเพราะว่าพระวิจารย์ทรงตัดไว้ว่าผู้ใด <c oughs> ที่ เพิดเพลินไปในรูปรสกลิกก่นเสียงผดทพะธรรมลมเพิดเพลินในตาหูจมลิ้นกายใจผู้นั้นชื่อว่าเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นจักไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ส่วนผู้ใด <c oughs> ที่ไม่เพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะธรรมลมไม่เพิดเพลินในตาหูจมลิ้นกายใจผู <c oughs> ้นั้นชื่อว่าไม่เพิดเพลินในความทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ไปไดนะ้ก็คือเราก็ไม่ไปเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆนะมีอ่าตาหูจมลิ้นกายใจกระทบรูปรดกลิ่นเสียงผดท่าภาคธรรมอารมณ์เราก็ไม่ไปยินดียไรตรงนั้นไม่ไปเพลิดเพลินเพียงแต่เรารู้ทันรู้เฉยๆก็พอแล้วนะอ่าก็ไม่ไปผักใส่ก็ด้วยในขณะที่เรารู้เขาจะเพลิดเพลินก็ไม่เป็นไรก็เป็นของเขาเองอีกนะแต่เราก็ไม่ได้ไปให้ค่าในตรงนั้นอีกอนะ่มันก็จะเป็นการไม่ผักใส แล้วก็ไม่ไปติดในตรงนั้นแต่เป็นการที่เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นของเขาเองเท่านั้นเองนะมันก็จะกลายเป็นว่าผู้รู้ผู้ดูไปนะ <c oughs> ย่างเมื่อกี้เราก็ได้สวดอ่ธาธรมุเทศสี่นะก็คืออ่าโลกนี้นะอ่าเปรียบเสมือนอ่าสัตว์อันชลาตอนไปอยู่นะเราก็คือสัตว์นี้ก็หมายถึงว่าสษษัตวสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละรวมทั้งตัวเราด้วยก็เป็นสัตว์ อัญชลาตอนไปอยู่นะตอนไปที่ไหนนะก็คือตอนไปสู่ความตายนั่นเองนะโลกนี้นะมีแต่ความบกพร่องอยู่เป็นนิดนะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้ไม่รู้จักเบื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีแต่ตัณหาทั้งนั้นนะมันจึงไม่รู้จักอิ่ ม, มรู้จักเบื่อนะก็เรียกว่าอบ่อแห่งตัณหานิถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะลองดูน ะ, อะเอาแค่การกินก็พอแล้วนะเรากินพอไหม กินนี่ไม่ใช่ว่ากินแล้วพอไม่ต้องกินนะแต่หมายความว่าเราพอในการที่จะหาหากินตรงนั้นไหมนะคือบางที่เรากินแล้วเนี่ยออมันก็น่าเบื่อนะบางคนวางแถนแล้วนะเออกลับไปบ้านเนี่ยอีกสองสวันกลับแล้วะจะไปกินส้มตําให้อร่อยเลยน ะ, ะ, ะกินลาบให้อร่อยนะอะ กินแกงนู่นแกงนี่นะหรือไม่ก็กินข้าวขาวหมนะูกินข้าวหมูแดงกินข้าวมันไก่ให้อร่อยเลยเนะพราะที่วัดเราไม่มี <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวนะนี่แหละก็คือตรงนี้นะก็คือความที่เราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้ักพอนั่นเองเนาะนะบางคนที่มีปัจจัยเยอะนะก็ไปหากินตามที่ต่างๆ ต, ตามตอกซอกซอยอตามร้านอาหารที่เราชอบนะ แพงๆก็ไปกินกันอ่บางทีขับรถตั้งไกลเป็นชั่วโมงนะแค่ทานอาหารอย่างเดียวตรง น, นั้นเองนะอะก็คือเป็นสิ่งเราเนี่ยที่เราสแสวงหากันอั น, นี้มันเป็นความที่เราไม่จยากอิ่มหรือจะเบื่อไม่อยากพ อ, อบางทีเราได้ยินก็เหมือนกันหูนี่แหละอะบางทีได้ยินที่ไหนโอ้เขามีจัดคอนเสิร์ตนะมีจัดดนตรีเราก็ต้องไปดินรนนะไปฟังอไปดูในตรงนั้นนะอ่ะ ตรงเนีคนชอบในตรงนี้มากนะบางทีจัดอะไรก็แล้วแต่มันสนองทางตาทางหูนี่ได้ดีมากนสิ่งที่สนองในตรงเนี้ยคนก็เลยรู้ว่าคนเรามันติดในตรงนี้นะก็เลยพยายามดัดแปลงจัดอยู่บ่อยๆนะลองดูว่าเราเคยดูหนังมากี่เรื่องแล้วนะดูละครมากี่เรื่องแล้วดูสิ่งต่างๆนะชกมวยบ้าง โดนตีบ้างการแสดงต่างๆบ้างเกมโชว์ต่างๆบ้างหรือข่าวต่างๆบ้างมันรู้จักพอไหมมันก็ไม่เคยพอไม่เคยพอสักทีนะต้องแสวงหาอยู่นั่นนะแม้แต่หนังสือพิมพ์เราก็ไปเสพติดโอ้อ่านข่าวมีแต่เรื่องสนุกทั้งนั้นบางคนชอบอ่านข่าวพระทุกวันนี้หนังสือพิมพ์เลยขายดีนะเพราะจิตใจคนเราเนี่ยก็ชอบในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะ อะไรที่มันดูแล้วเนี่ยมันมีความตื่นเต้นมีความสนุกสนานอ่านแล้วรู้สึกสะใจมันก็เลยไปชอบในตรงนั้นนะสมัยก่อนนี่จะมีข่าวพวกเกี่ยวกับมคืนเนยเยอะมากห <c oughs> นังสือพิมพ์ก็ชอบมาลงกันเนี่ยพราะจิตใจเราไม่เคยอิ่มไม่รู้จักพอในตรงนี้นะสแสวงหาอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะลูปรถกลิ่นเสียงผดท่าพาทมาลมต่างๆแล้วเนี่ยเพราะว่าใจเราไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อโดยเฉพาะการมาลมนะ บางคนมีภรรยาคนนึงแล้วก็ไม่พอนะก็ไปมีเพิ่มมากขึ้นอีกเรื่อยๆนะมีกิ๊กมีอะไรเยอะแยะเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชาย่ยมีเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะผู้ใดที่มีอานาจในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมีอานาจแล้วเนี่ยก็เอาอํานาจนั้นมาสนองตันหาตัวเองอย่างเต็มที่นะอย่างจักรพรรดิเนี่ยมีมเหสีมีพระชายามีสนมบางคนเป็นพันๆก็มีนะ เนี่ยมีเกือบทุกประเทศนั่นแหละใช่ไหมหรือไม่ก็เวลาท่านจ ะ, สะเสบย อ, อาหารทีนึงก็มีอาหารเต็มโตเลยนะเต็มโตเป็นบางแห่งนี้เป็นยร้อยอย่าง อ, อันนี้นะอคนเดียวนะ่จะทานอะไรั้งเยอะแยะขนาดนั้นนะหรือสร้างบ้านสร้างเมืองไม่พอก็จะไปตีประเทศอื่นเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาอีกนะไปยึดครองเข้ามาเครื่องเยอะแยะ มาสร้างบ้านเสริมสร้างเมืองให้ใหญ่โตมโหูานอันนี้ก็เป็นการสนองคนที่เรียกว่ามีอานาจที่จะทําได้น ะ, ะเขามีอานาจทําได้เช่นนั้นเขาก็ทําแต่จริงๆแล้ว เ, เราก็เหมือนกันนะแต่ที่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีอานาจแต่ถ้าลองลองดูว่าเรามีอานาจเช่นาจากักรพรรดิเมื่อไหร่เราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะอยากจะมีภรรยาเยอะๆอยากจะกินอาหารเยอะๆอยากจะไปทรัพย์สินของบ้านอื่นเมืองอื่นเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็คือ เบื้องลึกของทุกคนนี่แหละมีตันหา่ตรงนี้แต่เรารู้ไม่เท่าทันตันหานตรงนั้นบางทีเราจะเห็นว่ามีลูกของคนรวยนะลูกคนรวยนะไปเที่ยวขโมยของตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะพอจับได้ก็บอกว่าเออมันเหมือนกับอยากจะได้อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความยากจนอะไรอันนี้ก็เป็นการแสดงตันหานตรงนั้นออกมาว่าเขาบังคับ ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมหรือพวกที่ติดยาเสพติดต่างๆนะะทําไมต้องไปติดก็เพราะว่าเรานยทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวกับตัณหาในสิ่งเหล่านั้นะเราก็รู้ล่ะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นนะเล่าก็ไม่ดีบุหรี่ก็ไม่ไม่ดียาเสพติดก็ไม่ดีนะอืแต่ว่าไม่มีใครทนได้นะไม่มีใครทนได้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีก็ทนไม่ได้นะเพราะว่าตัณหาเราในเยอะนะ คนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปละอะไรเยอะหรอกแค่การมาตัณหามันก็ละยากอยู่แล้วนะในรูปรสกลิ่นเสียงกฎธาตุธรรมอารมณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสมุทัยเป็นสิ่งต้องละสมุทัยก็คือการมาตัณหาภาวะตัณหาแลวะวิภาวตัณหาเนี่ยเราละได้หรืออย่างนะการที่เราละได้นี่แหละก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเพราะเราก็ต้องรู้ทันอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ในความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลาย เราเราจะต้องรู้ให้เท่าทันจิตของเราที่มันละเอียดไปเรื่อยๆนะพระจิตเราละเอียดมันอยากจะได้คําชมแล้วนะใครชมเราเราก็ดีใจบางทีมองด้วยสายตาด้วยความชื่นชมโอ้คนมองด้วยความชื่นชมแล้วก็ดีใจแล้วนะบางทีคนเ ข, าเข้ามาไหว้เราสวัสดีเราล้วก็ดีใจแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือตันหายเหมือนกันนะเป็นความที่เรายินดีในตรงนั้นนะมันก็เป็นราคาในตัวนี่เราก็ต้องรู้เท่าทัน ตันหาต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะเกิดขึ้นมาทั้งวันเลยนะแต่เราก็รู้ไม่เท่าทันเขาะไปหลงยึดหลงติดอในตันหาเหล่านั้นอืคราวนี้นะมันก็ต้องละนะมาก็เอาการละนี่มันก็เข้ามาสู่ในนิโรธนะนิโรธนิโรธคําว่านิโรธเนี่ยก็แปลว่าดับนะเพราะฉนั้นทุกข์ในโรกก็คือการดับทุกข์นะ คั้นการที่จะดับทุกขนี่ทําอย่างไรนะก็คือโยตัสาเยวะตันหายะอเสสวิลาคะนิโรโทจาโคปนิสสะโคมุติอนารโยนะก็คือการดับทุกนะก็คือการคลายออกหรือจานจางคลายของตันหาก็คือเวลาคะนั่นเองนะวลาฆานัก็คือการคลายออกของตันหะเมื่อเกิดการคลายออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นนิโรโท ก็คือการดับไม่เหลืองตันหาจาโคคือการสละออกของตันหาปฏินิสโคคือการสลัดคืนของตันหามุติการก่อยปล่อยการวางตันหาอนาระโยคือการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับทุกเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นแหละก็คือประการแรกคือการคลายออกก่อนนะแล้วก็ทําให้ตันหาเนี่ยไม่มีที่อาศัยตรงนี้เราเราจะต้องทําให้ตันหาไม่มีที่อาศั ย, นะยโดยการที่ว่า เกิดการคลายออกให้ได้ก่อนเป็นวิลาคก่อนนะพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเราเห็นความจริงในตรงนี้ไหมว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนนะบางทีเราไปบัตดไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าบางวันเราก็ปฏิบัติดีมีสติทั้งวันพอวันหนึ่งเราก็ไม่มีสตินะหลงทั้งวันก็มีนะอันนึ้ก็แสดงแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะไม่ให้ตัวไม่ตนของเราจริงๆพระก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วในตรงนี้ เราก็จะได้ เ, เข้าใจนี้เราก็เกิดการคลายออกนะจากความยึดมั่นถือมั่นในความที่เราจะต้องให้เขาได้ดังใจนะว่าตรงนี้เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงจริงจิตก็เกิดการคลายออกความเป็นตัวตนก็ลดลงตรงนี้มันก็จะได้กลายเป็นเวลาค่ะไปแต่ถ้าเราไปบัรแล้วเราดีตลอดเราเก่งตลอดนะทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีความมัน ทีเ่เราบังคับเขาได้จริงๆให้เขาดีตามเราต้องการได้ตลอดเวลานั่นแหละคือความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะกลายเป็นว่าเราเราดีเราเก่งเราบังคับบัญชาเขาได้นะตัวตนมันก็โตขึ้นนะมันไม่ได้ละอัตตาตัวตนไม่ได้ละสกายดิทยาดิธเลยอืเพราะว่าอผู้ที่เป็นพระโสดาบันได้เนี่ยก็ต้องอเห็น ว่ากายและใจไม่ตัวไม่ตนก็เรียกว่าละสักการทิฏฐินี้ได้ก่อนนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะละออัตตาตัวตนนี้ให้ได้ก่อนอ่าก็คือสักการทิฏฐินี่แหละอ่าพอเราละตรงนี้ได้แล้วนะสิ่งอื่นเราก็ละไปได้ทั้งหมดก็คือเมื่อละว่าเออไม่ใช่ตัวไม่ตนแล้วกิเลสต่งตางๆมันก็จะพลอยดับไปด้วย <c oughs> แต่ถ้ายังมีตัวไ ม, ม่ตนอยู่มีตัวเรามีตัวของเราอยู่ <c oughs> ในตรงนี้นะ มันจะละกิเลดตนวอื่นได้ยากมากเลยจะละไม่ได้เลยเพราะว่าโกรธปุ๊บก็คือเราโกรธนั่นเองนะมีตัวเราอยู่รักก็คือเรารักหลงก็คือเราหลงเกลียก็คือเราเกลียดน ะ, ะฟุ้งซ่านก็เราฟุ้งซ่านมีแต่เราทั้งนั้นนะมันก็เพราะว่าเรายังมีตัวตนในตรงนี้อยู่เรายังไม่เกิดการคลายความยึดติดในตัวตนในตรงนี้แต่อย่างใด นะเพราะนั้นมันจึงต้องมาในขั้นต้นเนี่ยว่าเราสามารถที่จะวางในตัวตนตรงนี้ได้จริงๆไหมถ้าวางได้จริงๆแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่มีมันก็ตามมาไม่ได้เพราะเมื่อไม่มีตัวตนแล้วนะ่ะมันรักมันชังมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างที่ท่านพูดทก็บอกว่าเป็นตาตาเป็นเช่นนั้นเองนะ เป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ตัวเมตตนของเราเนี่ยความที่เราละคายต่างๆมันก็จะได้คลายมาตามความเป็นจริงนะแต่ถ้ามีตัวเดาเราอยู่เมื่อไหร่นะมันก็เป็นอัตตาอยู่ตลอดนั่นแหละใช่ไหมเราปฏิบัติเกง no? ่งนาดไหนก็ว่าเราปฏิบัติเก่งนะเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญามันก็มีแต่ตัวเราอยู่ทั้งนั้นมันจึงไม่ได้ออกจากตัวตนเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยนะนั่นแหละคือตัณหานั่นแหละคือภาวะตัณหานั่นแหละคือวิภาวะตัณหา นะซึ่งเราจะต้องวางให้หมดนะพอเราวางหมดแล้วเนี่ยความเป็นพโสดาบันก็จะบังเกิดขึ้นมาทันทีนะเพราะความเป็นพโสดาบันนี่เขาเรียกว่าต้องละสังโยชน์ทั้ทงสได้นะก็คือเริ่มด้วยสักการะทีนะก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละวิจิกิจชาก็คือความลังเลสงสัยหลังเลสงสัยนี่ก็หลังเลสงสัยได้หลายอย่างนะเช่นเออความดีความชั่วความถูกความผิดนะกฎแห่งกรรม นะการเวียนบายตายเกิดมีจริงไหมนะตรงนีนะ้ก็เป็นความลังเลสงสัยนะแล้วก็อันที่สามคือศีลประตะปรามานะก็คือนะความที่เรายึดถือในาศาสตร์พจนผะิดหรือการยึดนะในสิ่งที่ไม่ใช่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาศัยนะหรือการที่เรายึดมั่นนะในศีลมากเกินไปนะจนเป็นการยึดติดต่างๆนะหรือเป็นการลูบคําศีลนะตรงนี้ก็เป็นศีลประตะปรามาทั้งสิ้นเลยนะ เพราะนั้นการเป็นพระโสดาบันก็เริ่มจากสกละส ก, กายิธินี่แหละก็คือความที่เร า, าละความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละความเป็นพระโสดาบันก็จะบังเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากเนอะอาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเกิดมนุษย์เกิดเป็นคนสักครั้งหนึ่งซึ่งมีโอกาสเกิดได้ยากมากอย่างน้อยเราก็จะทำชาตินี้ให้ได้นะสักอย่างหนึ่งนะก็เป็นความอาจจะเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยนะ หรือเป็นพระหันเลยนะสิ่งเหล่านี้ก็ทื่ว่าเราไม่เสียชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีการเกิดที่ยากมากนะการเกิดมนุษย์นี่ยากมากเมื่อเรามีโอกาสเกิดมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะเราก็ทํำในตรงนี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกขเพราะถ้าเราไม่ทําถึงที่สุดแห่งทุกในตรงนี้แล้วนะโอกาสในการเวียนว่ายตายเกิดก็มีอยู่อย่างแน่นอนนะเพราะมีอยู่ถึงสามเด็ดพูมไม่แน่ว่าเราชาติต่อไป อาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดสุกายสำนรกนะมีโอกาสทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเหมือนกับตอนเนี่ยเราเรามีเครื่องมือแล้วนะมีมีดอยู่อันนึงเราจะเอามีดเนี่ยไปทําอะไรนะอถ้ามีดนี้ไปทําสิ่งไม่ดีไปฆ่าสัตว์นั่นแหละลงนรกนะแต่มีดนี้ไปทําสิ่งที่ดีนะเ อ, อไปดัดแปลงเครื่องมือต่างๆไปผาฟืนนะ เป็นเหาไม้ให้เป็นปฏิมากรรมอันนี้ก็ชื่อว่าเราทําในสิ่งที่ดีเพราะฉรื่องเครื่องมือที่เรามาีอยู่แล้วเนี่ยก็คือกายและใจเนี่ยเราใช้เครื่องมือกายและใจเนี่ยไปทําอะไรต่อน ะ, อะก็ขอฝากไว้ให้พวกเรา น, นําไปคิดต่อน ะ, อะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอทุกท่านนะจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด